วันนี้เราก็มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเราเลยใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่ ยากที่จะได้ยินได้ฟังกันเพราะนานๆจะปรากฏมีพระพุทธเจ้ามาตัดสร่งแล้วนำเอาสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตัดสร่งนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ใดได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ ผู้นั้นก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่มีคําสอนอันใดในโลกนี้ที่จะสามารถทําให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้แขนงไหนก็ตามระดับปริญญาตรีโทเอกความรู้เหล่านี้ไม่ได้เป็นความรู้ที่จะ ดับความทุกข์ใจได้มีความทุกข์ของมีความรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงความรู้เดียวที่จะดับความทุกข์ภายในใจของสัตว์โลกทั้งหลายได้ดังนั้นการที่ได้มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมครําสอนมีพระอรหันตสาวก มาปรากฏให้พวกเราได้สัมผัสรับรู้จึงเป็นเรื่องของโชควาสนาอันยิ่งใหญ่อย่างยิ่งที่นานๆจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งเพราะว่าพระพุทธศาสนานี้จะปรากฏขึ้นมาได้แต่ละครั้งนั้นใช้เวลาเป็นกับเป็นกันคำว่ากับนี้ก็หมายถึงว่า หลายล้านล้านปีด้วยกันยาวนานจนกระทั่งเราไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขมีการเปรียบเทียบระยะเวลากับหนึ่งไ ว, ว้ว่าไว้ดังนี้ว่าถ้าทุกร้อยปีมีชายคนหนึ่งเอาผ้ามาลูบเขาพศุมเมหนึ่งครั้งทุกทุกร้อยปีให้มาลูบหนึ่งครั้ง ให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาพระสุเมน์จะสึกหายไปหมดนั่นแหละคือเวลาหนึ่งกลับด้วยกันดังนั้นเป็นเวลาที่ยาวนานมากที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ในแต่ละครั้งช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาช่วงนั้นก็จะไม่มีโอกาส ที่สัตว์โลกจะสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ต้องรอจนกว่าจะได้มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุและมาประกาศพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สองชนิดด้วยกันคือชนิดที่หลังจากที่ตัดสรุแล้ว ก็ไม่ประไม่ประกาศพระธรรมคำสอนคือไม่ไม่เผยแผ่ไม่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น พ, พ, พระพุทธเจ้าแบบนี้เรียกว่าพระปัเจกะพระพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้าชนิดที่สองก็คือพระพุทธเจ้าที่หลังจากได้ตัดสรู้แล้วก็ได้นำเอาความรู้ที่ได้ทรงรู้นี้มาเผยแผ่มาประกาศ ให้แก่สัตว์โลกแบบที่สองนี้เราก็เรียกว่าพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระพระโคโดมพ ร, พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธโคดมท่านก็เป็นผู้ที่นำเอาธรรมะที่ได้ทรงตัดสรุมาเผยแผ่ตอนต้นพระองค์ก็มีความท้อพระทัยเหมือนกัน ไม่อยากที่จะนำเอาความรู้ที่พร ะ, พระองค์ได้ทรงตัดสูนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นเพราะทรงเห็นว่าเป็นความรู้ที่ยากต่อการปฏิบัติตามได้ทรงทอพระทัยทรงคิดว่าคงจะไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติตามได้เพราะเป็นคาความรู้ที่จะ สอนให้คนต้องปล่อยวางความสุขต่างๆที่ที่คนต่างๆรักและชอบกันนั่นก็คือความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ก็มีเท้ามหาพรหมได้ เดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อนั่งรอที่ศาลาก่อนดีกว่านะไม่สะดวกที่จะรับแขกตอนนี้เดี๋ยวมีศาลาอีกหลังหนึ่งน่มนตไปนั่งทางทางทางศาลาด้านหลังก่อนไ้ขอให้เสร็จกิจจากทางนี้ก่อนแล้วค่อยสนทนากัน <c oughs> ถ้ามหาพรมก็ได้ส่งได้มากราบอาราธนา ขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาต่อสัตว์โลกเพราะถ้าพระองค์ไม่สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยหลังจากที่ได้รับการอาราธนาแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาดูก็ทรงแยกแยะสัตว์โลกไว้ เป็นสี่กลุ่มด้วยกันเป็นเหมือนบัวสี่เหล่าคือสัตว์โลกทั้งหมดนี้มีภาวะความรู้สติปัญญาความสามารถที่จะปฏิบัติธรรมนี้ได้ไม่เท่ากันเบื้องต้นไม่ได้พิ จ, จารณาทรงคิดว่าคงจะไม่มีใครที่จะสามารถปฏิบัติตามได้แต่หลังจากได้ทรงพิ จ, จารณาแล้วก็เห็นว่าสัตว์โลกนี้ มีอยู่สี่กลุ่มด้วยกันเป็นเหมือนบัวสี่เหล่ากลุ่มแรกนี้คือกลุ่มที่เป็นบัวเหนือน้าแล้วเป็นบัวที่รอแสงตะวันของพระอาทิตย์พอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาบนทางฟ้าบัวชนิดนี้ก็จะบานได้บัวชนิดที่ไหน ซึ่งเปรียบเหมือนกับคนที่ได้สะสมบุญบารมีมาอย่างโชคชนเป็นผู้ที่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิเป็นนักบวชแต่ยังไม่มีปัญญาความฉลาดที่จะเห็นธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรม นี้ที่พระ อ, องค์ได้ทรงตัดสัุบุคคลที่ฟังเหล่านี้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือบัวกลุ่มที่หนึ่งบัวที่อยู่เหนือน้มแล้วพร้อมที่จะบานรอเพียงแต่แสงพระอาทิตย์เข้ามาฉายใส่ให้เท่านั้นเองบัวนี้ก็จะบานขึ้นมาบัวที่สองนี้เป็นบัวที่ปิมน้ำ ยังไม่ได้อยู่เหนือน้ำแต่ก็จะใช้เวลาอีกวันสองวันก็จะอยู่เหนือน้ำและบานต่อไปได้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มของนักบวชแต่ยังมีแต่สีงยังไม่สามารถเจริญสมาธิทำจิตให้รวมให้สงบได้ยังเป็นผู้ที่สงศศีลอยู่แต่ ยังไม่สามารถทําจิตให้สงบได้พวกนี้ก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากนั่งสมาธิให้มากเพื่อทําจิตให้สงบพอจิตสงบแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ที่คือบัวกลุ่มที่สองหรือบุคคลกลุ่มที่สองบุคคลกลุ่มที่สาม ก็คื อ, อประชาชนทั่วไปคารวะญาติโยมที่ยังไม่ได้ออกบวชแต่มีศรัทธาความเชื่อในการทำบุญในการรักษาศีลในการภาวนาทำใจให้สงบแต่เนื่องจากชีวิตของคารวาะมีเวลาที่จำกัดจึงไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ส่วนใหญ่ก็จะทำ ทานทำบุญให้ทานและรักษาศีลห้าไปทังๆก่อนพร้อมกับการฝึกทำสมาธิบ้างในเวลาที่ว่าง mm. ก็จะไม่ค่อยได้ความสงบมากเท่าไหร่ศีลก็ยังไม่ได้ได้ได้บอยสุดยังขาดบ้างเกินบ้างแต่ทานนี้มีการทำอย่างต่อเนื่อง เช่นการใส่บาตรให้แก่นักบวชทั้งหลายที่มาบิณฑบาตตรกนี้ก็ต้องอาศัยการทำทานรักษาศีลและภาวนาไปจนกว่าจะมีกำลังมากขึ้นถึงสามารถออกบวชได้และสามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ศึกษา เขาทำคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถบรรลุได้ตามลำดับ mm hmm. นี่คือเป็นกลุ่มที่สามรัวรานี่ยก็เหมือนกับรัวที่อยู่กลางน้ำรัวที่ได้จเจริญเติบโ ต, ต, ตออกมาจากโคนตมแล้วแต่ยังไม่ไม่ได้โผล่ขึ้นเหนือน้ำต้องใช้เวลาอีกหลายวันด้วยกันส่วนรัวชนิดสุดท้าย กบ so ัวที่ยังอยู่กับโพรนตงอยู่บัวชนิดนี้ท่านบอกว่าจะไม่มีโอกาสจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้เพราะจะกลายเป็นอาหารของตูของปลาไปก็เปรียบเหมือนกับคนที่ไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคนที่ไม่ชอบทำบุญไม่ชอบรักษาศีลไม่ชอบภาวนาไม่ชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมชอบเสพศซรายาเหาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนมีความเกลียดค้านคบคนชั่วเป็นนิพนธ์บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ยังไม่มีวันที่จะเข้าถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเงินว่าตายเกิดได้นี่คือบุคคลสี่ประเภทเรือบัว์สี่เหล่าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาและแยกแยะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงมุ่งไปหาดวงกลุ่มแรกก่อนดวงเหนือน้ำดวงที่พร้อมที่จะบาน ก็คือไปหานักบวชที่มีศีลมีสมาธิอยู่เต็มที่แล้วก็คือพระปัญจวคีผู้ที่เคยติดตามอุ ป, ปถาพระพุทธเจ้ามาจนระยะหลังได้แยกทางกันไปพระองค์ทร ง, งเห็นว่าพระปัญจวคีทั้งห้านี้เป็นผู้ที่จะสามารถ หลุจพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าได้ยินได้ฟังทมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่พระพุทธเจ้าก็เลยมุ่งไปหาพระปัญจาวาัคคีย์เป็นเป็นกุ่มแรกก่อนเป็นบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้วหลังจากที่ได้ทรงแสดงทมที่ได้ทรงตัดสร่ก็คือพระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมาให้แก่พระปัญจวัคคีย์ หนึ่งในหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญากรทนิยะก็ได้บรรลุธรรมปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนเห็นว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นว่าน่างกายนี้ มีการเกิดเป็นธรรมดาย่อมมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาความทุกข์ก็เกิดจากความไม่ยอมรับความจริงอันนี้ไม่ยอมรับว่าร่างกายจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจึงมีความอยากอยากไม่ให้ร่างกายแก่อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไขยได้ป่วย อยากไม่ให้ร่างกายตายพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้ต้นเหตุก็คือความอยากต่างๆนั่นเองในกรณีของร่างกายก็คืออยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ร่างกายตายไปแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาดู ก็จะเห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันผู้ที่มีปัญญาก็จะยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมให้ร่างกายแก่ให้ร่างกายเจ็บให้ร่างกายตาย เพราะเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตนร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพอพิจารณาด้วยปัญญาก็หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ยอมให้ร่างกายแก่ให้ร่างกายเจ็บให้ร่างกายตาย พอยอมปัดความทุกข์ก็หายไปความทุกที่เกิดจากการไม่ยอมไม่ยอมให้ร่างกายแก่ไม่ยอมให้ร่างกายเจ็บไม่ยอมให้ร่างกายตายไปก็หายไปพอไม่มีความอยากที่ไม่ให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายความทุกข์ใจก็หายไป นี่คือการทำงานของอริยสัจส์่ภายในใจของผู้ปฏิบัติทุกๆคนอยู่ที่ว่าจะมีสติสมาธิปัญญามองเห็นความจริงเหล่านี้ที่กำลังปรากฏอยู่ภายในใจหรือไม่พวกเรานี้ก็มีพระอริยสัจสี่อยู่ในใจของเราขณะ น, นี้เวลาที่เราคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บ คิดถึงความตายใจของเราเป็นอย่างไรรู้สึกเฉยเฉยหรือรู้สึกไม่สบายใจถ้ารู้สึกไม่สบายใจก็แสดงว่าเรามีความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเรามีความรู้สึกเฉยเฉยก็แสดงว่าเรามีปัญญาเราเห็นจัดจธรรมความจริงเห็นอันนี้ัง เห็นว่ามีเกิดต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาพอเห็นอย่างนี้ใจก็ไม่มีความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายนี่คือการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครั้งแรก แล้วก็ได้บรรลุธรรมขั้นแรกก็คือขั้นพระโสดาบันหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมอีกสองครั้งด้วยกันทรงแสดงให้พระปัญจาวัคคีย์เกี่ยวกับเรื่องอนัตตาความไม่มีตัวตนทรงแสดงว่าขันหานี้ไม่มีตัวตนรูปไม่มีตัวตนเวทนาไม่มีตัวตนสัญญาไม่มีตัวตน สังขารไม่มีตัวตนวิญญาณไม่มีตัวตนเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าผู้ใดไปยึดไปติดกับขันห้าผู้นั้นก็จะมีความทุกข์ใจเพราะจะมีความอยากให้ขันห้านั้นเจริญอย่างเดียวไม่มีความอยากให้ขันห้าเสือ่อมเช่นอยากจะให้ร่างกายอยู่ไปนา น, าน ไม่อยากให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่อยากให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสื่อมไปคืออยากจะให้มีแต่สุขเวทนาอยากจะให้สังขารวิญญาณสัญญานี้ปลิตแต่ความสุขขึ้นมาแต่ธรรมชาตินี้เขาไม่สามารถที่เรา ไม่สามารถไปสั่งให้เขาผลิตแต่ความสุขให้กับเราได้บางเวลาเขาก็ผลิตความทุกข์ขึ้นมาพอเขาผลิตความทุกข์ขึ้นมาเราก็อยากให้เขาหายไปอยากให้ความทุกข์หายไปยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่เพราะเราไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอนัตตาเขามันเหมือนฝนตกแดแดออกเราไม่สามารถไปสั่งให้ฝน หรือไม่ตกไปสั่งให้แดดออกหรือไม่ออกได้เขามีเหตุมีปัจจัยของเขาที่ทําให้เขาตกหรือไม่ตกออกหรือไม่ออกฉันใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาต้อมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เขาเจริญนึกทําให้เขาเสื่อมที่ทําให้เขาผัฒนความสุขหรือผัฒนความทุกข์ขึ้นมาใจผู้ที่มา สัมผัสรับรู้กับขันหานี้ถ้าไม่มีปัญญาก็จะเกิดตัณหาความอยากอยากให้ขันห้าผลิตแต่ความสุขพอไม่ผลิตความสุขก็จะเกิดความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยากให้ผลิตแต่ความสุขอยากให้ร่างกายนี้สุขอย่างเดียวไม่อยากให้ร่างกายทุกข์อยากให้เวทนามีแต่สุขเวทนาอย่างเดียว ไม่อยากให้มีทุกขเวทนาแต่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยผู้ที่มีปัญญาถ้าเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะไปสัง่งในควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการได้เพื่อจะหยุดหยุดความอยากให้ขันห้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ หยุดอยากให้ขันธ์ห้ามีแต่ความสุขอย่างเดียวผลิตแต่ความสุขอย่างเดียวยอมรับทั้งสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการทางานของขันธ์ห้าพอเห็นว่าเป็นอนัตตาพอเห็นอย่างนี้ก็ปล่อยวางขันธ์ห้าได้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเราเป็นของเราได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ว่าปัญจากวคีทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นาาารพระอรหันต์พร้อมๆกันเลยในหลังจากที่ได้ฟังทำที่พระพุทธเจ้าทรงได้สั่งสอนนี่คือพวกบัวกลุ่มกลุ่มแรกบัวที่อยู่เนินน้าส่วนมากแล้วจะเป็นพวกที่เป็นนักบวชหลังจากนั้นก็ทรงไปสั่งสอนนักบวชในสำนักอื่นๆอีกเป็นจํานวนมาก และก็ปรากฏมีนักบวชเหล่านั้นได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์กันเป็นจานวนมากในขณะที่ได้ยินได้ฟังธรรมเือหลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมพอได้ยินพอบรรลุแล้วก็จะขออนุญาตขอพระพุทธเจ้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก่อนหน้านั้นเป็นนักบวชในรัฐที่อื่น แต่พอได้ฟังธรรมได้รับประโยชนจากการฟังธรรมได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็เปิดศรัทธาอยากจะบวชตามพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นนักบวชในสายเดียวในสำนักเดียวในรัฐที่เดียวกับพระพุทธเจ้าก็เลยปรากฏมีนักบวชทางพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมากันเป็นตามลาดับเป็นจานวนมาก นในระยะเจ็ดเดือนแรกของการประกาศศาสนาคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดไปถึงวันเพ็ญเดือนสามเป็นเวลาเจ็ดเดือนด้วยกันก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์อย่างน้อยก็หนึ่งพันสองรห้าสิบรูปในวันเพ็ญเดือนสามได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนมาจาก ทุกสารทิศหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอนาคามแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงทรงสั่งให้แยกกัรกระจายกันออกไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะได้นำเอาความรู้ที่จะทำให้หลุดค้นจากความทุกนี้ไ ป, ไ ป, ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นนั่นเองพอถึงวันวันแผ่นเดือนสารก็เกิดมี ความอยากจะมากราพระพุทธเจ้ า, าพร้อมๆกันก็เลยมีปรากฏในพระอาหารหันต์อย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาคาบูชานี่นี่แหละคือกลุ่มแรกบัวกลุ่มแรกบัวที่เหนือน้ำหลังจากที่ได้ทรงสอนพวกบัวเหนือน้ําจน ไม่มีเหลืออยู่แล้วก็ท่งสอนกลุ่มที่สองกลุ่มนัก บ, บวชที่ยังไม่มีสมาธิก็สรงสอนให้เจริญสติให้มากๆให้นั่งสมาธิให้มากมากางกจิตใจให้รวมให้สงบให้ได้ก่อนให้ระ ง, งับความคิดปรุงแต่งต่างๆก่อนยังไม่ต้องไปคิดในทางปัญญาเพราะยังไม่มีกําลังพอที่จะเอามา ัเกิเลสเอามาหยุดตัณหาหยุดความอยากได้ต้องให้จิตสงบก่อนมีกำลังก่อนถึงควรจเจริญสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดแม้จะเป็นความคิดทางด้านปัญญาถ้าคิดทางปัญญาแล้วไม่สามารถหยุดความอยากได้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้ก็อยากไปคิดให้เสียเวลายกเว้นคนที่มีความ สามารถในทางการใช้ความคิดในทางปัญญาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้อย่างนั้นก็ใช้ได้ที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่ถ้าไม่สามารถใช้ปัญญาอบรมจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องใช้การรอริกรรมใช้การควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจจดจอ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่นถ้าอยู่กับบริกรรมก็ให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามตั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆถ้าใช้ร่างกายเป็นอารมณ์ก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำอะไรต่างๆของร่างกายตลอดเวลาไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่น ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทาของร่างกายไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีเวลาว่างแล้วนั่งหลับตาเพื่อให้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกของร่างกายแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้หรือจะบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปเวลาทํากิจกรรมต่างๆ พอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธต่อใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกันพอใจสงบแล้วจะมีอุเบกขาก็คือกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ตอนที่ใจสงบนี้ความอยากไม่สามารถออกมาทำงานได้ แต่ความอยากนี้ยังไม่ตายถูกกำลังของสติหรือสมาธิกดเอาไว้เหมือนกับหินทับหญ้าเวลาย่าถูกหินทับไว้หญ้าจะไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้แต่ถ้าเอาหินออกแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งหญ้าก็จะงอกเงยกลับคืนขึ้นมาได้ฉะนันใดขณะที่อยู่ในสมาธิ ความอยากต่างๆก็จะไม่สามารถออกมาทำงานได้ไม่สามารถอยากดูรูปเสียงกลิ่นรสตรวจถัะได้ไม่สามารถอยากมีอยากเป็นไม่สามารถอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้พอไม่มีความอยากใจก็มีความสงบมีความเย็นมีความสุขมีความสบายเป็นความสุขที่ดีกว่าได้จากการได้อะไรต่างๆตามความอยาก พอได้ความสุขแบบนี้แล้วก็จะมีกําลังที่จะสู้กับความอยากได้พอออกจากสมาธิมาความอยากก็จะโผล่ตามออกมาอยากจะดูรูปเสียงกินลดอยากจะเสด ร, รูปเสียงกินลดตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาเอามาสอนใจว่าอยากไปอยากอยากไปอยากเพราะอยากแล้วจะทำให้ใจทุกข์ แล้วก็จะไม่ได้หยุดความอยากทำตามความอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นวิธีที่จะทำให้ใจมีความสุขก็คือต้องไม่ทำตามความอยากเพราะสิ่งที่อยากได้มานั้นก็จะไม่ได้ให้ความสุขอย่างต่อเนื่องอย่างถาวรเป็นความสุขชั่วคราวเพราะสิ่งที่ได้มานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนไป มีความเสื่อมตามมาพอสิ่งที่ได้มาเปลี่ยนไปเกิดความเสื่อมไปความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็จะจางหายไปก็จะมีความทุกข์กลับคืนมาดังนั้นการไปทาตามความอยากนั้นไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาความสุขเพียงเดียวไปหาความสุขแล้วก็มีความทุกข์แถมมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นความสุขในรูปแบบไหนก็ตามกับสิ่งไหนก็ตามกับบุคคลก็ตามก็เป็นเหมือนกันหมดเพราะสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆนั้นย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นได้คู่ครองมาเวลาได้มาใหม่ๆก็มีความสุขแต่ถ้าผู้ครองไม่สบายไปเกิดเป็นอะไรไปเจ็บไข้ได้ป่วยพี่คนพิการไปหรือมีอุบัติเหตุ ทำให้เกิดมีรูปร่างหน้าตาที่เสียไปความสุขที่ได้จากกู้งของนั้นก็จะหายไปก็จะได้ความทุกข์มาแทนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากใหม่ก็กลายเป็นเก่า จากสวยงามกลายเป็นไม่สวยงามไปถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากไม่ทําตามความอยากใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบได้กลับเข้าสู่ความสุขที่ดีกว่าได้นี่คือการใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้นักบวชที่ยังไม่มีสมาธิ ให้เจริญสมาธิกันให้มากๆด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็ให้นั่งสมาธิเดินจงกรมสลับกันไปจนกว่าจะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วก็ให้มาพิจารณาอาริยสัจสี่ให้เห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจอยากจะมีความสุขใจก็ต้อง หยุดความอยากต่างๆด้วยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพอทําอย่างนี้ได้ก็บรรลุทำได้นี่คือวัวเหล่าที่สองส่วนวัวเหล่าที่สามก็คือคารวะญาติโยมพระพุทธเจ้าก็จะส่งสอนให้ทําทานก่อนเพราะว่าคารวาะยังมีความผูกพันกับการหาเงินทองกับการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆอยู่ ต้องสอนให้เลิกหาความสุขจากการใช้เงินทองโดยการเอาเงินทองที่จะไปซื้อความสุขนั้นมาเอามาทําบุญแทนเอามาซื้อความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเวลาทําทานนี้ก็จะชนะความโลภชนะความตณีชนะความหวงก็ทําให้ใจสงบลงได้ก็มีความสุขได้ในระดับหนึ่ง เวลามีความโลภอยากได้เงินมีความตะหนื่หัวงซักหัวเงินจะไม่อยากจะทำบุญจะอยากจะได้เงินอย่างเดียวพอไม่ได้ก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเปลี่ยนเปลี่ยนการนำเงินชีวิตแทนที่อยากจะได้เงินก็ให้อยากจะให้เงินแทนบ้างเอาเงินที่มีอยู่นี้ไปให้ผู้อื่น เงินที่มีมากเกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกายเอาไปทำทานเอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอได้เอาเงินนี้ไปให้ผู้อื่นแล้วใจก็เย็นสบายเหมือนกับที่เวลาเราเอาข้าวของเงินทองต่างๆมาทำบุญที่วัดกันพอเราได้ทำบุญแล้วแทนที่เราจะเกิดความเสียใจ เรากับเกิดความสุขใจขึ้นมาเพราะเรายินดีที่จะเสียเงินเสียทองถ้าเราไม่ยินดีเป็นคนตนิไม่ชอบทาบุญเวลางานทองหายไปนี่จะเสียอกเสียใจจะอยากจะได้เงินทองที่หายไปนั้นคืนมาแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบทาบุญให้ทานอยู่แล้วทำอย่างสม่ำเสมอ พอเสียเงินเสียทองไปก็จะคิดว่าเป็นเหมือนกับการทำบุญให้ทานไปใครจะเอาไปก็เขาได้ประโยชน์ก็ดีไปเงินของเราเราเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรเมื่อเขาจะต้องการเขามาเอาไปก็ให้เขาไปนี่คือการดับความทุกข์ในระดับเรื่องของเงินทองที่เป็นเรื่องของคารวาะญาบโยม ให้ยายิโยมลดความโลภในการหาเงินหาทองให้ลดความปนีความคับแคบใจให้เปิดใจให้กว้างเพราะใจแคบนี้เป็นทุกข์ใจกว้างนี้เป็นสุขนั่นเองพอสามารถให้ได้แล้วก็จะสามารถมาดับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปได้ก็คือจะไม่ทำบาปนั่นเองผู้ที่ ทำบุญให้ทานได้จะเป็นผู้ที่มีจิตเมตตากรุณาจะไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นจะไม่ชอบทําบาสนั่นเองก็จะสามารถรักษาสีท่าได้รักษาสีท่าได้ก็จะดับความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปได้เพราะจะไม่มีการทําบาปเวลาทําบาปแล้วใจจะไม่สบายใจจะวิตกกังวล กลัจะถูกจับไปลงโทษกลัวจะมีวิบากกรรมตามมานั่นเองถ้าไม่ได้ทําบาปใจก็ไม่มีความวิตกกังวลก็ดับความทุกข์ของใจได้ก็อีกระดับหนึ่งทําให้ใจมีความสุข ม, ม, สมีความสงบเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งทําให้พร้อมที่จะสามารถก้าวขึ้นสู่ความสุขความสงบระดับที่สูงขึ้นไปได้ก็คือระดับของการภาวนาของการ รักษาสีของของการภาวนาของการเจริญสติและเจริญปัญญาถ้าไม่มีภารกิจอะไรก็อาจจะออกบวชได้ออกบวชก็จะเปลี่ยนจากอดอกบัวกลุ่มที่สามมาเป็นดอกบัวกลุ่มที่สองแล้วพอปฏิบัติเจริญสมาธิได้ก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปเป็นดอกบัวกลุ่มที่หนึ่ง แล้วก็พอพิจารณารมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรูค้คือพระอริยสัจสี่ได้ก็สามารถกลายเป็นดวบาลขึ้นมาได้บรรลุธรรมขึ้นมาได้ในภายในชาตินี้เลยแม้ขณะนี้จะเป็นค่าวว่าก็ตามแต่ถ้าสามารถทําบุญทําทานได้จนกระทั่งไม่มีความโลภอย่างได้เงินทองไม่มีความตัดทอนาที่จะใช้เงินทองซื้อความสุข อยากจะหาความสุขจากการรักษาสิ่จากการภาวนาทำจิตให้สงบก็จะสามารถออกบวชได้พอออกบวชได้ก็มีเวลาที่จะปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้นี่คือดอกบัวกลุ่มที่สามบุคคลกลุ่มที่สามผู้ที่เป็นคารวะญาติโยม แต่เป็นผู้ที่มีฝ่ายบุญฝ่ายกุศลฝ่ายการทําทานฝ่ายการรักษาศีลฝ่ายการภาวนาเพียงแต่ว่ายังไม่มีเวลามากพอที่จะภาวนาที่จะรักษาศีลได้อย่างเต็มที่เพราะยังมีภารกิจการงานต่างๆที่ต้องทําอยู่แต่พอได้ทําทานมากขึ้นไปสละทธาทราบมากขึ้นไปแล้วเกิดความสุขใจมากขึ้นไปก็จะ ไม่อยากที่จะหาความสุขจากการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือต่อไปก็จะสละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองที่มีอยู่ไปให้หมดแล้วก็ออกบวชส่วนบุคคมกุลที่สี่นี้เป็นกลุ่มที่จะไม่สนใจคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องการกระทา คำสอนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่พระพุทธเจ้าทรงต้องตัดคือไม่ไปสั่งสอนเผยแผ่ให้เสียเวลาเพราะเหมือนกับเทน้ําใส่แก้วที่คว่าไว้เทเข้าไปเท่าไหร่น้ําก็จะไม่มีอยู่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เก็บไว้ในแก้วได้เพราะแก้วไม่ได้หงายขึ้นนั่นเองคือใจไม่มีศรัทธากับ เรื่องของการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนานี่คือบุคคลสี่ประเภทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาจึงทำให้พระองค์ไม่ได้กลายเป็นพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าไปทรงกลายเป็นพระอาหารหันตะตั ม, มาสามพุทธเจ้าคือเป็นผู้ที่ตัดสู้รมแล้วก็นาเอาธรรมนี้มาเผยแา่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป จึงมีพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็สองพากว่า ป, ปีมาแล้วและถ้าตาบใดยังมีบัวสามเหล่านี้อยู่ในพระพุทธศาสนายังมีผู้ที่สนใจกับการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนายังมีผู้สนใจที่จะออกบวชปฏิบัติศีลสมาธิปัญญายังมีผู้ที่สามารถเจริญสมาธิและเจริญปัญญาได้ ก็ยังจะมีผู้บรรลุธรรมยังมีพระอาหารหันตสาวกที่จะมาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกต่อไปได้อีกระยะหนึ่งอย่างน้อยพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าอย่างน้อยก็ห้าพันปีด้วยกันศาสนาของพระพุทธเจ้านี้กว่าจะหมดหมดหมดกำลังคือจะไม่มีใครสามารถที่จะ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะจิตใจนั้นจะไม่ฝ่บุญไฝ่กุศลกันจิตใจจะไฝ่แต่ความโลภความโกรธความหลงฝ่แต่ความอยากในเรื่องของลาบยศจรุเสริมในเรื่องของความสุข ท, ทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้าเป็นถ้าจิตใจของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น พระพุทธศาสนาก็จะไม่มีความหมายสําหรับเขาก็จะไม่มีใครสนใจเข้าวัดไม่มีใครสนใจจะบวชกันไม่มีใครสนใจจะปฏิบัติกันต่อไปก็จะไม่มีใครเข้าใจถึงพระธรรมคําสอนว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อจิตใจของสามโลกนี่คือเรื่องของของพระพุทธศาสนา เริ่มต้นจากการออกบวชของพระพุทธเจ้าการจะออกบวชก็คือจากการที่ได้เห็นเทวทูตสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและเห็นนักบวชอันนี้แหละเป็นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าทรงออกบวชเพราะตอนต้นก็เห็นว่าตนเองจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปพระองค์ก็อยากจะ ห ล, หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายก็เห็นว่าเป็นนักบวชนี่แหละที่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้ก็เลยส่งออกบวชแล้วก็ส่งไปปฏิบัติรักษาสีจเจริญสมาธิแต่สมัยนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครรู้พระอริยสัจสี ไม่มีใครรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจให้หายไปอย่างถาวรรู้แต่วิธีหยุดความทุกข์ไว้ชั่วคราวคือให้เข้าไปในสมาธิไปกดความทุกข์เอาไว้ไปกดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เอาไว้เป็นเหมือนกับเอาหินไปทับยาสมัยนั้นมีคนรู้วิธีดับความทุกข์ได้เพียงเท่านั้นคือดับได้ชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิมาแล้วในความอยากก็จะโผล่เกิขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะปรากฏตามมาไม่มีใครรู้จักวิธีกำจัดความอยากว่ากำจัดอย่างไรตอนมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ให้เห็นว่าก็ให้เห็นก็ให้รู้ว่าความทุกข์เนี่ยเกิดจากความอยากนี่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปทำตามความอยาก วิธีจะไม่ทำตามความอยากก็ให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้ไม่สามารถให้ความสุขได้อย่างแท้จริงพร้อมสิ่งที่ได้มามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงและไม่ไม่อยู่ภายใต้อานาจของเราที่จะสั่งให้เขาผลิตแต่ความสุขให้กับเราบางเวลาเขาก็ไม่ผลิตบางเวลาเขาก็ผลิตพอเห็นอย่างนี้ก็จะได้ไม่อยากได้สิ่งต่างๆมาพอไม่ได้อยากได้สิ่งต่างๆมา ความทุกข์ก็หายไปอย่างถาวร น, นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาและเรื่องของพวกเราที่บรรจบมาเจอกันในภพนี้ชาตินี้จึงถือว่าเป็นบุญวาสนาของพวกเราเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ เช่นมาเกิดเป็นสัตว์ในในป่านี้ก็จะไม่รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องสอนด้วยภาษาของมนุษย์นั่นเองแต่พอเราเกิดเป็นมนุษย์แล้ได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วถ้ามีความสนใจมีความศรัทธาในในเรื่องของการทําบุญในเรื่องของการรักษาศีลในเรื่องของการภาวนา พอได้มารับคําสอนของพระพุทธเจา้าก็จะได้ครบกระบวนการของการปฏิบัติถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ายังไม่ครบเครื่องมีแต่ศีลสมามีแต่ศีลสมาธิแต่ไม่มีปัญญาแต่พอมีพระพุทธศาสนาก็ามีครบเครื่องมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาก็จะทําให้พวกเรานี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดปลจากใจได้ ตอนนี้ก็อยู่ที่พวกเราเท่านั้นแนหะว่าเราจะนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติตามได้หรือไม่ถ้าปฏิบัติได้ก็บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะมีผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์มาเป็นจํานวนมากแล้วไม่ได้อยู่ที่เพศหรือที่วัยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยการทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสถานภาพอยู่ที่ว่าจะสามารถปฏิบัติตามได้หรือเปล่าที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้หรือเปล่าปฏิบัติดีก็ปฏิบัติเต็มร้อยปฏิบัติเต็มที่ปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นเองถ้าปฏิบัติเต็มร้อยปฏิบัติอย่างถูกต้องผลก็จะต้องออกมาเต็มร้อยดังนั้น พระพุทธเจ้าท่านได้ทำหน้าที่ของท่านแล้วท่านนำเอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราแล้วพวกเราทำหน้าที่ของเราหรือไม่อันนี้ต้องอยู่ที่ตัวเราเราต้องพิจารณาต้องถามตัวเราเองเราอย่าไปโทษใครเพราะว่าสิ่งที่เราขาดกันก็คือการปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบนั่นเองปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติตลอดยี่บสี่ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติ อ, อย่างถูกต้อง ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผลย่อมเป็นไปตามเหตุอย่างแน่นอนดังนั้นก็ขอฝากเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกท่านทั้งหลายได้มาพบในชีวิตนี้ขอให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเถิดแล้วจะมีแต่ความสุขและความเจริญเพียงอย่างเดียวการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ของที่ญาติโยมเอามาถวายพระนี่มันมีหลายชนิดด้วยกันซึ่งตามพระวินัยนี้บางอย่างก็รับประเคนกับมือได้บางอย่างก็ไม่ควรจะรับประเคนเพราะว่าของที่รับประเคนนี่จะแบ่งไววสามชนิดด้วยกัน ของที่รับประเคนแล้วต้องฉันให้ต้องใช้ให้หมดภายในก่อนเที่ยงวันเช่นอาหารสดต่างๆอาหารขาวหวานนี้ถ้าถวายแล้วก็จะเก็บไว้ได้ไม่เกินเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันก็ต้องสละให้ลูกศิษย์ลูกหาไปถ้าเป็นสำนักที่ฉันมือเดียวก็ก็จะไม่ไม่เก็บเอาไว้หลังจากที่ฉันเสร็จแล้วก็จะต้องยกให้คนอื่นไปหมด ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารของแห้งเคลื่อนกระป๋องอะไรก็ถือว่าเป็นอาหารอยู่ถ้าอยากจะให้พระเก็บไว้ใช้ในวันที่อดอยากขาดแคลนก็ไม่ต้องถวายกับมือให้เอาวางไว้แล้วถ้าจะให้ลูกศิษย์จัดการถวายให้ในวันที่ต้องการอย่างนี้ก็จะเก็บไว้ได้มีคือเรื่องของอาหารแล้วก็มีเรื่องของเภสัตชที่เรียกว่าท้าับประเคสแล้วเก็บไว้ได้เจดวัน เช่นของเภสานี้ท่านแสดงไว้อยู่ห้าชนิดด้วยกันก็คือน้ำอ้อยน้าพึ่งน้ามันเนยข้นเนยใสยของอะไรก็ตามถ้ามีน้ําตาลผสมอยู่ถ้ารับประเคนแล้วนี่จะเก็บไว้ชั้นได้ไม่เกินเจดวันถ้าหลังจากเจดวันยังมีเหลืออยู่ก็ไม่ให้เก็บเอาไว้ให้สละไปถ้าไม่ได้รับประเคนกับมือ ให้นำมาวางไว้แล้วให้เก็บไว้ในคังอันนี้เก็บไว้ได้นานเก็บไว้จนกว่าจะให้เวลาจะใช้ก็ให้ลูกศิษย์หยิบแบ่งเอามาประเค้นถวายให้ตามที่ต้องการอย่างนี้ก็จะสามารถเก็บของที่ญาติโยมนามาถวายไว้ได้เกินเจ็ดวันแล้วก็มีชนิดที่สามที่เมื่อรับประเคนแล้วนี่สามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอด ชนดี้เเรียกว่าพวกยาต่างๆยาที่ไม่มีไม่มีมมน้ำตาลไม่มีของน้ำผึ้งหรืออะไรผสมอยู่ยาพวกนี้รับประกตแล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดเช่นยาแก้ปวดยายาอะไรต่างๆเหล่ า, า, านี้ดังนั้นเนื่องจากบางทีของที่ญาติโยม น, นามาถวายมันปนกันในในถุงเดียวกันมีทั้งของของ เป็นอาหารมีทั้งของที่เป็นเพสัต7วันเป็นเป็นเพสัต ท, ที่ไม่มีอายุเนี่ยก็เลยมันเสียเวลาที่จะต้องมาแยกแยะตานตอนถวายก็เลยให้เอาวางวางไว้แล้วเดี๋ยวพระกับลูกศิษย์ท่านจะจัด ก, การเอาเก็บเข้าคลังแล้วเวลาต้องการจะใช้อะไรก็ให้ลูกศิษย์ถวายแทนญาติโยมต่อไป ดง น, น, นเวลาที่เราไปวัดป่านี้จะไม่นิยมถวายข้าวของกับมือพระจะถวายก็เฉพาะของเบาๆเช่นลึกของเช่นปัจจัยก็ถวายแต่เฉพาะใบภาวนาใบภาวนานี่ก็เป็นเหมือนเช็คนี่เองส่วนตัวเงินก็ใส่ซองแล้วก็เอาแยกเอาไว้แล้วท่านก็จะให้ลูกศิษย์จัดการเอาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเวลามีความจําเป็นจะต้องใช้เงินทองก็จะให้ลูกศิษย์เป็นคนไปเบิก แล้วก็เอาไปใช้จ่ายตามตามความจาเป็นนี่คือเรื่องของการถวายของให้กับพระป่าซึ่งจะไม่เหมือนกับพระที่บ้านถ้าทางบ้านนี้เขาจะรับหมดญาติโยมมาเอาสังฆทานมีของครบทั้งสี่ชนิดมีอาหารมียามีผ้ามีอะไรต่างๆท่านก็รับรับจนถือเป็นธรรมเนียม เวลาญาติยมเอาของมาถวายแล้วถ้าพระบอกให้วางไว้เฉยๆเขาคิดว่าเขาจะไม่ได้บุญก็ต้องรับให้กับเขาเพราะบางทีไม่มีเวลาที่จะมาที่บายให้ฟังว่าการถวายแบบวางไว้เฉยๆก็ได้บุญเหมือนกันและได้บุญมากกว่าเพราะช่วยส่งเสริมให้พระรักษาพระวินัยพระธรรมวินัยไว้ไม่ให้ไม่ให้เอ ไ, ไม่ให้บอกพร่องไม่ให้ด่างพร้อย เวลาบางทีพระรับของสังฆทานตอนบ่ายนี่ท่านกระทำผิดพระวินัยแล้วเพราะท่านไปรับของฉันรับอาหารที่ห้ามไม่ให้รับหลังจากเที่ยงวันไปแล้วดังนั้นถ้าเวลาพระบอกให้ทำอะไรก็ญาติโยมก็ทำตามเพระกั น, กนแล้วจะได้บุญมากกว่าที่จะทำตามใจของเราถาวายข้าวของต้องให้พระรับกับมือให้ได้ถ้าไม่รับกับมือ้วเหมือนกับว่าจะไม่ได้บุญ มุนไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมมันอยู่ที่ใจที่เราปล่อยวางความหวงความตะนีเราหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เลยมาอมาดัดมันมันมขว ó วงมากก็เอาไปแากคนเสียออยะไง ม, มันจะได้หายหวงพอหายหวงแล้วใจมันสบายมีความสุขไม่ต้องมาวิตกกังวลว่าของหายไปหรือเปล่าอยู่ครบหรือเปล่าะ หายก็หายไปหายก็คิดว่าเป็นการทำบุญไปก็มีความสด ข, ขึ้นมานี่คือเรื่องของการถวายของพระซึ่งบางท่านอาจจะไม่เข้าใจมาแล้วก็ไม่ได้ถวายกับมือกลัวว่าจะไม่ได้บุญบุญอยู่ที่การปล่อยวางถ้ามาแล้วถวายกับมือแล้วยังมาจ้องดูว่าจะเอาไปใช้หรือเปล่า ถ้าไปให้คนอื่นก็เกิดความเสียใจอย่างนี้ก็ไม่ได้บูรณาเข้าใจไหมให้เขาไปแล้วต้องถือว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วเขาจะเอาไปโยนทิ้งก็เรื่องของเขาอย่างมงคลเอาเฟอร์นิเจอร์ไปถอยหลวงตาบอกเอามาถวายก็จะโยนทิ้งเข้าป่านะเฟอร์นิเจอร์เช่นเบาะนุ่มๆเบาะนวมที่นั่งที่นอนถ้าบอกของพวกนี้มันไม่เหมาะกับพระปฏิบัติมันจะทาให้พระขี้เกียจ ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เดินจงกรมบางที่ญาติโยมจะเอาเฟอร์นิเจอร์ออาเบาะนวมมาถวายวัดถ้าบอกมาถวายท่านยาโดนเข้าปากเนี่ยถ้าเราแน่จริงก็ยกให้ท่านแล้วท่านยาไปทำอะไรก็เรื่องของท่านท่านยาไปโยนเข้าป่ากก็ถือว่าเป็นของท่านแล้วเพราะว่าท่านก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ท่านรับมานี้มันเป็นคุณหรือเป็นโทษกับท่านถ้าเป็นโทษท่านก็ไม่เก็บเอาไว้ หรือว่ามันมีมากเกินไปเก็บไว้ก็เกะกะลบลบวัดนไม่ได้ใช้เก็บไว้ทําไมของท่านก็ในวัดป่านี่ส่วนใหญ่ท่านจะระบายออกไปเรื่อยๆพอมีของเข้ามามากๆแล้วมันมากเกินกว่าที่จะใช้ได้ก็เอาไปสงเคราะห์โลกอย่างนลวงตาท่านก็ไปสงเคราะห์ชาวบ้านบ้างไปสงเคราะห์ตามโรงพยาบาลบ้างแล้วแต่ความเหมาะสม ดังนั้นเวลาที่จะทำบุญแล้วให้เกิดบุญนี้เราต้องทำแบบปล่อยวางคือเราต้องการสละของที่เรารักให้แก่คนอื่นไปพอเราสละได้ในี้ใจเราจะโล่งจะเย็นจะมีความสบายถ้าเราหวงเราสละไม่ได้นเราจะไม่มีความสุขเวลาเราให้อะไรไปแล้วต้องให้ถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของคนรับเข้าไปแล้วคนรับเขาจะไปทาอะไรกับของนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเราแล้ว ท่านยาไปใช้เองก็เรื่องของท่านท่านยาวไปให้คนอื่นก็เป็นเรื่องของท่านแล้วเราจะมีความสุขใจเราจะได้บุญมากเพราะเราทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีเงื่อนไขนั่นเองการทำบุญที่มีเงื่อนไขนี้ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขก็จะไม่สบายใจเช่นถวายให้ท่านใช้ท่านไม่ใช้ท่านให้คนอื่นไปก็เสียใจ ที่เราต้องเห็นใจท่านบ้างสิท่านไม่ใช่มีคนมาถวายของคนเดียวมีคนมาเป็นสิบเป็นร้อยแล้จะให้ท่านใช้ผ้าจีวรทุกผืนที่ญาติโยมมาถวายให้ท่านแล้วท่านจะทําอะไรก็มาแต่มาซักจีวรใหม่มาใช้พอใช้ได้วันก็ต้องมาซักผืนใหม่มาใช้ใหม่ก็ต้องซักจีวรกันทุกวันใช้ผืนใหม่กันทุกวันเราใช้ไปแล้วจะไปทําอะไรเอาไปให้คนอื่นก็ไม่ได้ละของมันใช้ไปแล้วเอ ซื้อเอาไปทําเอาไปให้คนที่เขาไม่มีให้เขาได้ใช้ของใหม่ไว้ดีกว่าะแล้วเราก็จะคนรับจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยกับการมาเอาผ้ามาซักมามาใช้ใช้เสร็จแล้วก็ต้องแล้วต้อ ง, องพับเก็บเอาไวอ้อีกอนี้คือเรื่องของการทําบุญให้ทานเป็นการตัดอุปทานครับความยึดติดในสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ให้เราซ้อมไว้เพราะว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากมันไปถ้าเรายินดีที่จะจากมันไปเราไปอย่างมีความสุขถ้าเราไปด้วยความเสียดายนี้เราจะไปด้วยความทุกข์ใจอันนี้แหละคือสิ่งที่เราทำให้เราไปสวรรค์หรือไปอบายก็อยู่ที่ใจของเราเนี่ยสบายหรือไม่สบายถ้าสบายก็ไปสวรรค์ถ้าไม่สบายก็ไปอบายเช่นเศรษฐี เสียดายหัวเงินมีเงินเท่าไหร่ก็เอาไปฝังดินให้หมดในสมัยพระพุทธการนะนี้อยู่ในพระไตเป็นโมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่ยอมให้ใครลูกหลานก็ไม่ให้ไม่บอกด้วยว่าเอาไปฝังไว้ที่ไหนพอตายไปก็กลับไปกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเองเพราะความหัวเงินความยังความผูกพันกับทรัพย์สมบัติของตนก็อยากจะกลับมาอยู่ใกล้สมบัติ และวิธีที่จะกลับมาเร็วก็กลับมาเกิดเป็นหมาเกิดมาเป็นสุนัขในบ้านพอดีพระพุทธเจ้าสเสด็จผ่านมาก็มีก็เห็นเรืงยานเห็นว่าใจของหมาตัวนี้ก็คือเจ้าของบ้านที่ตายไปนี่ก็เลยบอกลูกหลานของเจ้าของบ้านว่าหมาตัวนี้เป็นพ่อของพวกเธอนะเลี้ยงมันให้ดีอย่าให้มันตายไปก่อนเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติที่พ่อของเธ อ, เอฝังเก็บเอาไว้ แล้วก็เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้ที่แนละ้คือเรื่องของใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเป็นเศรษฐีแล้วทำบุญให้ทานนี้ไปแล้วก็จะไม่หวนไม่กลับมาเกิดเป็นตุ๊กแกเป็นจิ้งจกหรือเป็นแมวในบ้านไปก็จะไปรับผลบุญที่ได้จากการทำทานนี้ไปเกิดในโลกทิดเป็นเทวดาเหมือนกับได้ไปท่องเที่ยวโลกท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพราะเรามีเงินที่จะซื้อตั๋วเราบินจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าอาหารจะไปเที่ยวที่ไหนไปภาคที่ไหนไปได้หมดนอกโลกนั่นงในเวลาเราทําบุญนี้ก็เหมือนกับเราจองทัวร์ไว้แล้ซื้อตัว๋วซื้อทัวร์ไว้แล้วว่าตายไปจะไปโลกทริปและจะไปเที่ยวที่โลกทริปกันพอเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็กลับมาเกิดเป็นเศรษฐีรวยกว่าเก่าอีกเพราะ อ, อํานาจของบุญที่เราได้ทําไว้เหมือนกับ เราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารของโลกของภพหน้าชาติหน้านั้นเองพอเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้เกิดเป็นลูกของเศรษฐีลูกของคนรวยไม่ต้องมาเกิดเป็นลูกขอทานอันนี้แหละคือเรื่องของการทำบุญและอั น, นิสง์ของการการทำบุญเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังมีอั น, นิสง์อีกข้อก็คือทําให้เรารักษาศีลได้ คนที่ไม่หวงทรัพย์คนที่ไม่โลภอยากได้ทรัพย์นี่จะรักษาศีลได้คนที่หวงคนที่โลภไม่รักษาศีนไม่ก็ได้เขาจะต้องคอยรักษาป้องกันทรัพย์สมบัติของตนเองหรือต้องการหาทรัพย์สมบัติมาเพิ่มมากขึ้นบางทีก็ต้องโกหกบางทีก็ต้องโกงถึงจะได้ทรัพย์มามากขึ้นแต่คนที่ไม่อยากจะได้ทรัพย์มากขึ้นไม่หวงทรัพย์เขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องโกหกไม่ต้องโกง ก็ทำให้เขาขยับขึ้นสู่การปฏิบัติทำขั้นสูงขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาศีลได้แล้วต่อไปเขาก็จะออกบวชได้เพราะเขาไม่ต้องใช้ใช้ทรัพย์เป็นการหาความสุขเขาใช้ทานใช้การรักษาศีลและการภาวนาเป็นการหาความสุขให้กับใจพอออกบวชได้ได้ปฏิบัติได้เข้าถึง พระอาริยสัจ ส, สีได้เข้าถึงแก่นของพระศาสนาก็จะบรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสาเหตุว่าทําไมเรายัางต้องทําทานอยู่ผู้ที่มีทรัพย์สมบัตินี้ยังต้องทําอยู่ทําจนกว่าไม่มีที่จะให้แล้วเท่านั้นถึงจะหยุดทําได้เช่นพวกนักบวชนี้เขาก็ไม่ได้ทําทานแล้วเพราะเขา พอเขาออกบวชนี้เขาไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวไปแล้วมีแต่อัฐบริขารมีเครื่องใช้อยู่เจ็ดมีแปดชนิดแปดแปดชิ้นด้วยกันคือบาทจีวรประคตเอวคือเข็มขัดใบมีดโกนที่กลองน้ำแล้วก็เข็นกลับได้อันนี้ก็เป็นแปดชิ้นด้วยกันพอแล้วสำหรับนักบวชไม่มีเงินก็ต้องทำบุญให้ทานแล้ว แต่มีเวลาที่จะเจริญสมาธิจะปฏิบัติทรรมจนบรรลุธรรมกันได้นักบวชนั้นจึงไม่ควรที่จะไปสนใจกับการไปเรียลายหาเงินหาทองเพื่อมาสร้างกุฏิสร้างศาลาหรือมาทำอะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของนักบวชก็คือรักษาศีลเจริญสติสมาธิและปัญญาถึงจะบรรลุธรรมได้ ถ้ากลับมาทำทางก็กลับไปเป็นเหมือนคารวะแต่อยู่ในคาบของนักบวชหาเงินด้วยการเลื้ยลายแจกซองกระถิ่นแจกทองผ้าป่าอันนี้ไม่ใช่งานของนักบวชเรื่องขอ ง, เ ร, องเรื่องของเงินทางเรื่องของการแจกทานนี้เป็นเรื่องของผู้ที่มีทรัพย์ก็คือคารวะยากอยูอย่ไหวเขาทำพอเขารู้ว่าทางวัฒจะทำอะไรเขาก็จะมาร่วมมือกันเองไม่ต้องไปเลื้ยลายไม่ต้องบอก คนที่เขาอยากจะทำเขาจะยินดีทำอย่างเต็มที่นักบวนมีหน้าที่ไปปีกวิเวกไปอยู่ในที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงที่จะทำให้จิตคุ้งซ่านทำให้จิตเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็ให้ควบคุมใจด้วยการเจริญสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อทำใจให้รวมเป็นสมาธิ พอใจรวมเป็นสมาธิก็จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับตัณหาความอยากหยุดความอยากต่างๆได้สามารถพิจารณาเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาได้เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากการอยากจะทำให้อนิจจงเป็นนิจจงเกิดจากความอยากจะทาอนัตตาให้เป็นอัตตาคืออยากจะทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของตนซึ่งเป็นไปไม่ได้ อย่ตอนนี้อยากจะให้นกหยุดร้องก็หยุดไม่ได้นกมันร้องก็ตอนต้องปล่อยมันร้องไปถ้าไปอยากให้มันหยุดร้องนี่ก็จะวุ่นวายใจขึ้นมา ท, าทันทีนี่แหละคือเรื่องของของการปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันเรื่องของทานนี่ก็เป็นเรื่องของคารวาะยาติโยมเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่ก็เป็นเรื่องของนั่งเบว่ แต่คารวาก็สามารถปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องปฏิบัติถ้าอยากจะก้าวสู่ขั้นนั้นตามลาดับ ต, ต่อไปก็ต้องทำการบ้านไปก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนขณะนี้เป็นคารวาก็ทำบุญให้ทานไปแล้วก็รักษาศีลไปเท่าที่จะรักษาได้ภาวนาไปเท่าที่จะภาวนาได้อ่ อ, อไปพอได้ผลดีขึ้นมีกาลังมากขึ้นก็จะสละสมบัติเข้าของเงินทอง ไปได้หมดเลยแล้วก็ออกบวชได้แล้วก็ไปปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ต่อไปฉะนั้นอย่าเสียดายกับสมบัติเข้าของเงินทองเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นเครื่องมือที่จะส่งให้เราได้ไปบวชกันได้ไปปฏิบัติธรรมกันถ้าเรายึดติดกับสมบัติข้าของเงินทองเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงได้ เราจะไม่สามารถรักษาสีให้บริสุทธิ์ได้เราจะไม่สามารถเจริญสติสมาธิปัญญาได้ดังนั้นการทำทานนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากเกินความจำเป็นเพื่อจะได้ตัดวงจรอบาตคือการหาเงินแล้วก็การใช้เงินหาเงินมาเพื่อใช้เงินพอใช้เงินหมดก็หาเงินใหม่ มันก็วนเวียนอยู่กับวงจรนี้ไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่การรักษาสงนก้าวสู่การภาวนาได้เราต้องตัดวงจรนี้ด้วยการหยุดใช้เงินซื้อความสุขต่างๆพอเราไม่ใช้เงินซื้อความสุขเราก็ไม่ต้องหาเงินมาซื้อความสุขพอเราได้ได้ความสุขจากการเอาเงินมาทำบุญแทนแล้วก็จะสามารถรักษาศีลได้ก็จะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นไป รักษาสินได้ก็จะภาวนาได้ก็จะได้ภาวนามากขึ้นไปนี่คือการหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองและเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะติดไปกับเราเวลาที่เราตายไปแล้วความสุขทางร่างกายความสุขทางเงินทองนี่เราเอาไปไม่ได้เงินทองแม้แต่บาทเดียวเราก็เอาไปไม่ได้ แต่ความสุขที่ได้จากการทําทางความสุขที่ได้จากการรักษาศีลความสุขที่ได้จากการภาวนานี้ติดไปกับใจเราเราทําต่อได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพบใดไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ปฏิบัติต่อได้ถ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์แสดงธรรมที่ไหนเทวดาเหล่านี้ก็จะไปกราบพระพุทธเจ้าไปฟังเทศฟังธรรมกันก็สามารถปฏิบัติธรรมในขณะที่เป็นเทพได้ เลื่อนจากเท่ขึ้นไปเป็นพรหมได้จากพรหมขึ้นไปเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอาหารหันต์แสดงธรรมที่เทวดาสามารถไปฟังได้ผู้ที่จะแสดงธรรมเหล่านี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีพลรรังจิตเช่นพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์บางรูปพระอาหารหันต์บางรูปนี้ท่านไม่มีพลังจิตในการติดต่อกับกายทิพย์กับเทวดาต่างๆท่านก็จะไม่สามารถสั่งสอนเขาได้ ่บางรูปนี้ท่านมีพลังจิตท่านสามารถติดต่อกับกายทิศได้เช่นพระพุทธเจ้าของเรานี่ทุกคืนนี้จะส่งแสดงทําให้กับเทวดาทุกคืนตอนหัวข้ามก็แสดงทําให้กับพระภิกษุสัมมเนมตอนเด็กก็แสดงทําให้กับเทวดาตอนบ่ายก็แสดงทําให้กับคาลวาะญาติโยมนี่คือความสามารถของพระพุทธเจ้า พระอาหารหันต์บางรูปช่นหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็มีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมกับท่านท่านสามารถติดต่อกับเทวดาได้แต่พระอาหารหันไม่ไม่ทุกรูปที่มีพลางกิจที่จะสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นเพื่อบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ การจะบรรลุหลุดพ้นจากให้เป็นผ้าหนานนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีพลังจิตที่จะติดต่อกับกายทิพได้เพียงแต่มีพลังที่จะหยุดความอยากได้เท่านั้นเองควาจิตให้รวมเป็นอุเบกขาได้เท่านั้นก็พออันนี้ก็พูดเลาให้ฟังไว้เกี่ยวกับเรื่องของการทําทานว่าทําอย่างไรถึงจะเป็นบุญเป็นกุศลและทําเพื่ออะไรทําเพื่อตัดความตนันหนีตัดความโลภ ทำเพื่อก้าวขึ้นสู่ทำขั้นสูงคือขั้นศีลขั้นภาวนาต่อไปนั่นเองอเครับอาจารย์หนครับมีปัญหาคือช่วงนี้ผมฟังเทพ พ, พิจารณ์ที่ปานนะอยนะแล้วก็ฟัน แ, แล้วก็มีศรัทธาอย่างประบัติปฏิบัติเนี่ยนะครับคราวนี้ว่าสุดเทพจาุดไฟเสร็จของท่านถามต่อปัญหานะครับคราวนี้เมื่อเมื่อสักเดียงก่อนเองญาบหโยมมาจากสิงคโปร์มากันสักสี่คนนะฮะแล้วก็แป่ มาสุกนะฮะแล้วก็อยู่สุขคืนสุขคืนสองวันสี่สิบแปดแต่ที่เขาแวะกลับไปสิงคโปร์ทำ ง, งานต่อท่านจันร์มผมก็รู้สึกว่าเนี่ยเขาเัาในในศาสนาดีแล้วก็อยากให้เขามากลับหรียนมาสอนมากลับคุยธรรมะพระจันทร์เนี่ยพระพระจานทร์สามารถน่าจะตอบคำถามเขาได้ดีเพราะท่านเนก่งภาษาจีเนนี่ว่าครั้งนี้ว่าอืมช่วงนี้เขก็ยังมีที่สิงคโปร์อยู่แต่ผมยังอีเมลติด e ต่อเขได้เนี่ยถ้าเกิดผมอยากจะชวนเขามาเลยพวกนั้นชีวิตมันไม่แน่นอนแล้วก็ไม่รู้วย เขามีโอกาสได้เจอพระอาจารย์ที่สามารถจะตอบคาถามที่เขาสงสัยเรื่ออะไรได้โดยที่ไม่ต้องมีรามเนี่ยผมควรจะแนะนําเข้ามาดีไหมอะไรเงี้ยครเพราะว่าไี่รู้เหมาะสมหรือเปล่าหรือยินหางพระอาจารย์ก็ถ้าถ้าเขาเขายินดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเขาไม่ยินดีก็ต้องปล่อยไปคือเราแนะนาได้ส่วนเขาจะรับคําแนะนําของเราหรือไม่นี้ เราอย่าไปยุติคือเราเห็นสิ่งไหนดีเราก็แนะนําคนนั้นคนนี้ได้แต่คนที่เขาได้รับการแนะนําเขาจะยินดีรับไปทําตามที่เราแนะนําหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเขาอาจจะมีวิธีอื่นหรือมีที่อื่นไปก็ได้หรือกเขาอาจจะไม่สะดวกที่จะมาก็ได้ดงนั้นเราก็อย่าไป มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาจะต้องมามาตามที่เราบอกเขาเราบอกเขาไปแล้วเขาจะทาตามที่เราบอกหรือไม่ก็ต้องเป็นสิทธิของเขาคือผมได้ฟังเทศที่ท่านเทศมีภาษาเป็นภาษาอาังกฤษครับผมฟังรูแ้รู้เรื่องมากแต่ว่า รู้สึกว่าถ้าเได้มาเนี่ยเขาจะต้องโชคดีเป็นที่สุดของชีวิตของเขาอะไรเงี้ยก็คุณส่งอลิง์ของเทพอันนี้ไปให้เขาหรือเปล่าส่งยังแล้วส่งไปก็ได้ทางอื่แล้วใช่ก็ไปเปิดดูก่อนก็ได้ถ้าก็ดูแล้วถ้าเขาสนใจเขามีปัญหาก็อยากจะทางเข้ามาเองเราไม่ต้องไปบอกเขาหรอกก็คุณก็เข้าไปเปิดหน้าที่ที่แสดงธรรมที่เป็นภาษาอังกฤษนี้ แล้วก็คุณก็ส่งที่อยู่ของหน้านี้ไปให้เขาท่านนั่นเองเขาก็เปิดดูแล้วเขาก็จะรู้เองว่าเขาจะทํำยังไงที่เราฝันอยู่ในแผนที่เราคุณผมก็ทำไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าในเว<น>็บไซต์ก็มีในเว็บไซต์ก็มีคือต้องอถ้ า, างไงเดี๋ยวลองคุยกับคุณคุณต่อ น, นี้ก็ได้แก่แต่คนทําเว็บไซต์อยู่แล้วจะบอกรายละเอียดให้ว่าจะส่งไปยังไงเขาก็จะสามารถดูได้ กุไปได้แผ่นยังไงอ๋อแผ่นที่เป็นแผ่ของภาษาไทยเพรอดีวันนั้นผมมาะกาศเรียนภาษาและให้แผ่นเบอรคุณธวีศั์เออโทรคุณเรียกเขาเขาส่งมาให้ผมยี่บกว่าแผ่นผมก็ฟังหมดแต่ว่าฟังฟังที่เป็นตัวยูนะฮะเพราะว่าเทือที่ช่วงเทือกนี้สักสีห้าแผ่นนี้สี่ห้าเพื่ออฟังจะหมดนะครับการติดต่อเขาอยู่ว่าจะมีบอกรึเปล่าที่คุณต่อก็กําลังเก็บรวบรวมแผ่นที่แสดงเทืที่แสดงไว้บนเขา แต่เดือนมีนามานี่เดี๋ยวก็จะได้ครบแผ่นอันนี้ก็จะเป็นแผ่นมีชื่อว่าธรรมะบนเขาอก็ก็จะเกือบเต็มแผ่นแล้วตอนนี้ได้เกือบห้าร้อยกว่าเม็กแล้วแผ่นหนึ่งมันเจ็ดร้อยเมกก็ประมาณสักสักสองอาทิตย์ก็คงจะเต็มแต่เมื่อเขาก็จะเอาไปผลิตแล้วก็จะามาแจกบนเขานี้ส่วนเรื่องของของที่เราแสดงไว้ในในในอินเทอร์เน็ตนี่ก็ มีที่อยู่ที่สามารถที่จะส่งไปให้เขาได้เดี๋ยวลองถามคุณต่อดูอก็ได้ว่าทํำยังไงจะส่งไปทางอีเมลให้เขาเราก็เห็นแล้วเขาก็มันเขาสนใจเขาก็จะสามารถค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตแต่เชื่อว่าใครได้ฟังก็จะสนใจกับบัติเห็นใครฟังก็อยากข อ, บอกบุญนัน <laughs> ติดนั่นติดนี่กันบ้าเดี๋ยวไม่รู้ก็คงตังแล้คงคิดเหมือนจ ะ, ะออกแต่ว่าจะออกรัก ห, หนาอไออก็ ừ, ừ, หมายมันก็ต้องออกบวชกันนึกอย่างน้อยก็ต้องอยู่แบบนักบวชเพราะว่าความสุขทางโลกนี้มันเป็นความสุขปลอมความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียคนที่เรารักไปความสุขที่ได้ก็หายไปหมดมีแต่ความทุกข์กลับมาแทนที่ แต่ความสุขที่เราได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้มันไม่มีวันไม่มีความทุกขตามมามันมีแต่ความทุกข์มาก่อนคือกว่จะปฏิบัติได้สักครั้งนี้รู้สึกมันทร ม, มานเหลือเกินมันยากเย็นเหลือเกินเราเรียกว่าทุกข์ก่อนล้วสุขทีหลังดีกว่าสุขก่อนแล้วทุกข์ทีหลังตอนนี้พวกเรากําลังหาหาความสุขแบบสุขก่อนทุกข์ทีหลังอเราไม่หาความสุขแบบทุกข์ก่อนแล้วสุขทีหลัง ต้องลำบากกับการถือศีลต้องลำบากกับการนั่งสมาธิเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อาอัดตรงนั้นอาอัดตรงนี้แต่พอจิตสงบแล้วแหมันคุ้ ม, ค, มค่าคุ้มกับความเหนื่อยคุ้มกับความทุกข์ที่เราต้องฟันฝ่าเข้าไปตาทั้งคือได้เลยทุกถูกขัดสารน้ำตารางสุขข่า ย, ยานเนี่ยมันซัดไปเรือ่อยบ่อยดีกว่าแล้วก็คุ้ม ใช่ไม่ใช่ทุกสุกก่อนให้ให้ทุกก่อนแล้วให้สุกออไม่ใช่เหมือนท้งรูกที่สุกก่อนแล้วทุกตาร ม, มาที่ใดออ ม, มความสุขซ่องอยนนั้มาเศรษฐีระดับหมื่นล้านแสนล้านก็ยังต้องทุกเวลาตาเยเวลาต้องจากสิ่งต่างๆไปแต่พระพุทธเจ้าผ้าหลัง น, นี้ไม่มีวันทุกกับการสูญเสียกับการจากจากสิ่งต่างๆไปแต่ท่านทุกตอนที่ท่านออกบวช เ, เวลาออกบวชนี้ทุกที่สุดเพราะต้องจากความสุขที่เคยมี ใครกินมีใครกินอย่างได้ตลอดเวลาก็ต้องมากินเพียงมื้อเดียวก็อยู่กับน้ําไฟไฟฟ้าความสะดวกความสบายต่างๆก็ต้องมาอยู่ในป่าในเขาที่ไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้าต้องอดอยากขาดแคลนลําบากลําบนแต่เป็นการทําให้เราได้ความสุขที่ที่ดีกว่าและที่ถาวรพอเราได้ความสุขจากความสงบจากการปฏิบัติ ที่ยากลำบากนี้แล้วมันคุ้มเหนื่อยคุ้มค่มาแต่แบบอย่างพระอาจารย์ผมก็ดีนะเพราะว่าอย่างค่อยๆอยก่ี่อารลงลงดยุดทางานทีนี้ทำงานเก็บมาคือร่างกายมันค่อยๆค่อยๆไปค่อยก้าไ ป, ป, ไป พ, อพอเราเหมือนก็เหมือนกับเด็กอะ่ะก่อนที่เราจะวิ่งได้เราก็ต้องเดินให้ได้ก่อนก<ช>่อนจะเดินได้ก็ต้องยืนให้ได้ก่อนก่อนจะยืนได้ก็ต้องคลานก่อนเราก็ต้องฝึกไปตามขั้นของเราถ้าเรากําลังคลานอยู่เราก็ต้องหัดยืนก่อน ไม่ใช่พวดภาดไปวิ่งเลยเอบางคนบางคนศรัทธาก็บวนเลยบวนได้หกเดือนแปดเดือนก็ศึกเลยหมดกําลังหมดศรัทธาปัญญายังเอมันยังเอ็นเซยังไม่แก่ก้าวพอ <sh arp> มันต้องค่อยเสริมสร้างต้องดูกําลังของตัวเองทําไปต้องถามตัวเองไปเป็นขั้นว่าขั้นต่อไปทําได้หรือยัง <ell> ทําได้ไหมทําได้ก็ทํา ท่าใจนี่มันเป็นทาทีรู้สึกว่าพ อ, อ, อจะเดินตามได้อยู่แต่แบบท่าใจบางคนท่านบอกจะบวชไม่สิบเลยอย่างเนี้ยเราก็ขอมกินแล้วเราก็หิวครอบครัวก็มีแล้วจะทำยังไงเ น, นี้ยอะไรเนี้ยถ้าไปอย่างนี้คูจะมีปัญหาเหมอือนกัแต่ละคนย่อมีภาวะไม่เหมือนกันมีมีปัจจัยต่างๆไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ต้องพิจารณาดูเสริมสร้างปัจจัยบวก แล้วมันก็จะพาให้เราไปตามจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้ครกอันเป้าหมายของผู้บาอาจารย์ทั้งหลายเสด็จเลยทก็ท่านก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาตามที่ฝันฝันแต่บางีทารอยู่ที่วัดาตั้งแต่ไม่ไปไหนเลยเจ็ปีท่านท่ใชเทคนิคยังไงครับอยู่กับปีวะที่ซ้ำซากทุกแบความหม่เกิดการพัฒนาสุดใจได้ คือจิตของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันนะจิตของใครถ้าเข้าสู่ความสงบได้แล้วนี่การทาอะไรต่างๆนี่จะไม่ไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายถ้ายังมีถ้าไม่มีความสงบนีกิเลสมันจะมีกาลังมากมันก็จะมาสร้างอารมณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีความสงบนรื่รู้จักการเข้าเข้าเข้าไปในความสงบได้เวลาที่ต้องการ มันก็จะไม่มีปัญหาอุปสรรคมากเพราะสมมุติถ้าเกิดอารมณ์แล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิเดี๋ยวเดียวมันก็หายแต่ถ้ามันเกิดอารมณ์แล้วดับมันไม่ได้อันนั้นแหละมันลําบากบางคนก็ต้องพลาดเลยบางคนอยู่วัดไม่ได้ก็ต้องออกไปเปลี่ยนเปลี่ยนที่ไปไปที่นู่นไปที่นี่ไปเท่าไหรมันก็มันก็ยังเกิดอารมณ์อยู่นะนะั่นแหละเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ปัญหามันอยู่ที่อารมณ์ภายในใจ และ ว, วิธีแก้ก็คือต้องใช้สติสมาธิหรือปัญญาเท่านั้นถึงจะแก้มันได้ถ้าใช้สติสมาธิก็แก้แบบชั่วคราวแก้ไปเป็นพักๆแบบหินทับยาถ้าแก้ด้วยปัญญามันก็แก้ได้อย่างท้าหวนนล้วเราเราทำมาเป็นขั้นๆเราเบื่อตั้งแต่ยังไม่บวชเราสู้กับความเบื่อตั้งแต่เป็นคารวะเราบังคับขังตัวเองไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสังคมกับทางโลก เราคยอยามควบคุมพยายามทําใจให้สงบเพียงเดียวควบคุมอารมณ์ต่างๆไม่ให้มันออกมาออกฤทธิ์ออกเดชเวลามันออกฤทธิ์เอทีนี้โอ้แทบจะเป็นบ้างบางทีก็แพ้มันก็ต้องออกไปเที่ยวบ้างก็มีพอไปเที่ยวกลับมาก็รู้ว่าเสียท่ามันกลับมาก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าจะเอาอชนะมันได้ไม่ออกไปได้ต่อไปก็ไม่ต้องออกไปแต่นานๆมันก็แพ้มันบ้าง แต่ก็ไม่บ่อยอาศัยว่าเราชนะมันมากกว่าแพถึงมาถึงจุดนี้ได้ถ้าแพมากกว่าชนะมันก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้ตอนนี้ก็อาจจะกลับไปอยู่แถวพัทยาไปเปิดร้านอาหารหรือเปิด <c oughs> <c oughs> เปิดโรงแรงก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าเราจับเคิดได้จับประเด็นได้ว่าการปฏิบัตินี่สําคัญที่สุดก็คือสติเนี่ยถ้ารู้ตัวนี้แล้วจับตัวนี้ให้อยู่แล้วไปได้จรมรนสติให้มากควบคุมความคิดให้ได้เพราะความคิดตัวนี้แหละเป็นตัวที่ผลิตอารมณ์ต่างๆพอใจไม่สงบมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นเรื่องนั้นก็เบือ่อเห็นเรื่องนี้ก็เบือ่อเบื่อไปหมดเวลามันจะเบือ่อเวลามันจะชอบมันก็ชอบไปหมดเห็นอะไรมันก็ชอบไปหมด พอมันไม่สงบพอสงบแล้วมันเฉยเฉยมันไม่เบื่อมันไม่รักไม่มไม่ชังเฉยเฉยเห็นก็เฉยเฉยได้ยินก็เฉยเฉยจะสงบได้ก็ต้องมีสติควบคุมความคิดให้ได้แต่พุโทโธก็พุโทโธไปทั้งวันหรือแม้จะดูร่างกายก็ฟอกดูแต่ร่างกายอย่าไปคิดเรื่องอื่นกำลังทําอะไรก็บังคับให้ให้รู้อยู่กับการกระทําของร่างกายอย่างเดียวพอจะคิดเรื่องอื่นก็ดึงมันกลับมาบอกอย่าไป กำลังอาบน้ำก็อาบน้ำอย่าไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้ถ้าดึงมาไม่ได้จริงๆบางทีก็ต้องใช้การบริการช่วยก็ได้พูดโทรพูดโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ดึงมันกลับมาอย่าไปให้มันคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพยายามทำใจให้รวมให้สงบให้ได้เวลาสงบแล้วแหมมันเบา อ, อกเบาใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เวลาก่อนจะเข้าสู่ความสงบนี่เหมือนอยู่นรก ใจฟุ้งซ่านวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าเราสู้ไม่ถอยแล้วเราพยายามจเจริญสติอย่างต่อเนื่องเราจะเอาชนะใจเราได้นี่ขั้นต้นขั้นของสมาธิขั้นของสติอันนี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นการตัดกำลังของกิเลสตัณหาความอยากแต่มันไม่ตาย พอออกจากสมาธิมามันก็ออกมาสร้างความอยากใหม่ได้ถ้าอยากจะให้มันตายอย่างถาววนก็ต้องใช้ปัญญาต้องสอนให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี่มันไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความสุขนิดๆหน่อยแต่เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความทุกข์เพราะต้องติดต้องทำอยู่เรื่อยๆเช่นดื่มกาแฟเนี่ยพอดื่มก็มีความสุขได้ดืม่มพอหมดแก้วแล้วเดี๋ยวก็อยากจะดื่มใหม่ถ้าไม่มีให้ดื่มใหม่ก็ทุกข์แล้ว ก็ต้องไปหามาดื่มให้ได้พเพราะดื่มได้ก็ต้องหามาดื่มไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าหยุดดื่มได้ก็ไม่ต้องไปหาไม่ต้องทุกขกับการอยากจะดื่มกาแฟเฝืนกับมันเพียงสี่ห้าครั้งความอยากมันก็จะเบาันไปหายไปเองยากจะฝืนมันได้ก็ต้องมีสมาธิต้องเข้าสมาธิได้ต้องหยุดความอยากความคิดที่จะไปอยากกาแฟได้อยากสิ่งต่างๆได้ หรือต้องให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ได้มานั้นมันแทนที่จะเป็นการให้ความสุขกับการเป็นให้ความทุกข์มากกว่า <Okay. S 1> พอรู้ว่าต้องไปไปหาความทุกขนะ์แล้วไม่ใช่ไปหาความสุขมันก็หยุดได้ <Okay. S 1> ทุกคนต้องการความสุขไม่มีใครต้องการความทุกข์พอรู้ว่าสิ่งที่เราจะทํานี้เป็นการเพิ่มความทุกข์แล้วเราจะไปทํามันทําไมใช่ไหมเราก็หยุดทําเสียท่านเองพอหยุดทําแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์กับเรื่องนั้นอีกต่อไป อันนี้เป็นปัญญามันจะแก้ได้อย่างท้าววนเลยออไปมันจะไม่อยากได้อะไรมันไม่กล้าอยากเพราะมันกลัวความทุกข์พออยากปั๊บนี่ใจใส่แล้วใจไม่สบายแล้วใจกังวลกระวายแล้วเราไม่เห็นกันเวลาเราอยากในี่ใจเรากังวลกระวายเรามองไม่เห็นเรากลับอยากจะให้มันได้มาเร็วๆจะได้หายกังวลกังวายใช่ไหม แทนที่จะหยุดความอยากมันอาหายแล้วไม่ต้องไม่ต้องรอให้ได้สิ่งที่อยากได้เพียงแต่หยุดความอยากได้เท่านั้นมันก็หายกังวลกังวายแล้วกลับไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหากลับไปเอาต้องเอาให้ได้ถึงจะหายกังวลกังวายแต่หายเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่อีกแต่ถ้าเราหยุดความอยากทุกครั้งต่อไปมันจะไม่มีความอยากขึ้นตามขึ้นมาใหม่นี่กํามีลังขึ้นก็แรงอะจ๊ะ เพราะเพราะว่าเรามีสมาธิน้อยเราทำน้อยมากวันหนึ่งเรานั่งสมาธิได้สักกี่ครั้งได้สักกี่ชั่วโมงกันถ้าเป็นนักบวช น, นั่งทั้งวันเลยสลับกับเดินถ้านั่งมั่ยก็ลุกขึ้นมาเดินควบคุมเจริญสติพอเสร็จก็กลับไปนั่งใหม่จิตมันก็จะสงบต่อเนื่องทั้งวัน เ, ลเวลาที่โอกาสที่จะให้ความอยากโผลม่มอมานมีน้อยมาก มีเราก็มีกำลังที่จะสู้กับมันได้แต่นี่เราสงบนิดเดียวความอยากออกมาตลอดทุกเวลานาทีสู้ตัวนี้ได้ตัวใหม่ก็กออกง่ายมันมีหลายตัวตามกันมายาวเหยียดเป็นเหมือนขบวนรถไฟชีวิตกาลว่าจริงปฏิบัติธรรมได้ยากคนที่อยากจะปฏิบัติธรรมจริงๆต้องออกบวชกันคนที่ออกบวชนี้เขาจะพูดว่า การเป็นคารวานนี่มันวุ่นวายหนอเรื่องมันมากเรื่องทํามาากินแล้วยังต้องเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องภรรยาเรื่องสามีเรื่องบิดามารดาเรื่องญาติสนิทไม่สบายเรื่องราวต่างๆร้อยแปดมันก็เลยต้องมาคอยแก้ปัญหากับเรื่องราวต่างๆจนไม่มีเวลาที่จะมากําจัดตัวการสําคัญก็คือความอยาก เราจึงต้องออกบวชเพื่อเราจะได้ไปปีกเว้ย์อยู่คนเดียวถึงแม้จะอยู่ในวัดก็อยู่แบบอยู่คนเดียวคือจะรวมกันก็เฉพาะเวลามาทํากิจที่จําเป็นเท่านั้นแต่พอเสร็จกิจแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกกันไปอยู่ที่ของตนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวเวลานัน้นจะได้มีเวลาสร้างธรรมะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาที่จะเป็นอาวุธสําหรับในการต่อสู้กับศัตรู ของใจก็คือความอยากต่างๆก็จะสามารถทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปได้อาจารย์ถ้าอพระรหัสสี่ประเภทเนี่ยถ้าสามารถแสดงธรรมได้เหมือนกันหมดก็สี่ประเภทนี้มีประเภทหนึ่งที่ท่านมีความสามารถในการแสดงธรรมได้อย่างกว้างขวางเลยพอาบางท่านนี้ไม่มีความสามารถท่านก็แสดงได้แบบแบบ แบบง่ายๆสั้นๆแบบเอาภาวนาเนะ้อนีท่านก็แสดงครูบาอาจารย์ในภกษาเน้อ<ม>ภาวนาเนะ้อสติเนะ้อท่านก็พูดแค่นี้แต่ถ้าคนที่ท่านมีความสามารถท่านก็จะขยายความให้ละเอียดขึ้นให้คนฟังได้เกิดความเข้าใจดีขึ้นการแจกแจงเปรียบเทียบเอาขาทำ อ, า อ, าอันนี้จะ ม, มีเป็นความสามารถพิเศษของพระอรหันต์ ประเภทนี้ต้องเปบนประเภทที่ภายในก็รู้สึกจะเป็นสีที่ท่านท่านมีความสามารถในการแสดงหรือแสดงธรรมประเภทแรกนี้ก็คือแบบพื้นพๆไม่มีความสามารถพิเศษท่านเพียงแต่สามารถทําจิตของท่านให้ดับความทุกข์ต่างๆได้เป็นสุขขพิปัสกุลอันนี้ขั้นที่สองพวกที่สองก็แบบมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริ์พวกที่สามก็ มีความสามารถในการแสดงอัดแสดงทำต่างๆได้พวกที่สี่ไม่ลืมไปแล้วเป็นอะไรมือสีจ้ำพวก<ม>แล้วพวกเราจะได้รับประโยชน์ก็จากพวกที่แสดงอัดแสดงทำเก่งอาจารย์ก็แห่อาจารย์ถูกใช้ก็ต้องเป็นประเทที่สามหรือประที่สี่ไม่ดู้ละอันนี <laughs> อ่อย่าไปยกตนอย่าไปอะไรจะเป็นเพศไหนก็ช่างมันนะ <laughs> ก็มันเรื่องของบุญเรื่องของ ของบุญของของกรรมของแต่ละคนที่ได้ทำมาบุญบา ร, รมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็เก่งมาในทางอิทธิฤทธิปาฏิหารบางคนก็เก่งมาในทางแสดงธรรมอย่างพระสารีบดุษณีพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องว่าเก่งในการแสดงธรรมส่วนพระโมคคัลลานะก็ทรงแสดงว่าเก่งในเรื่องของการแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารพระพระพระอานุ์ก็เก่งในเรื่องความจํา จำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หมดนะครับแล้วแต่แต่ละคนก็ได้สะสมบุญบา ร, รมีมาไม่เหมือนกันเรื่องตอนนี้ถือว่าเป็นของแถมไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญที่สุด ก, ก็คือการบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ขอให้ดับกิเลสดับทุกข์ยุติการเวียนว่าตายเกิดได้อันนี้ก็พอแล้วส่วนความสามารถพิเศษนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นถ้ามีก็ทําไป ถ้าไม่มีก็ก็ไม่ได้ทําอย่างพระพุทธเจ้าบางรูปไม่มีความสามารถก็ไม่แสดงธรรมก็เป็นพระปฏิกรพระพุทธเจ้าไปก็้พระอานันต์บางรูปท่านแสดงธรรมไม่ไม่ชํานาญไม่เก่งท่านก็ไม่แสดงท่านก็ไม่ค่อยปรากฏเป็นที่รู้จักอย่างหลวงปู่ม่านนี่ท่านแสดงธรรมเก่งมากปรากฏมีพระอานันต์เป็นลูกศิษย์เยอะแยะเลยส่วนพระอาจารย์เสาท่านแสดงธรรมไม่เก่ง ท่านก็ไม่มีลูกสิก ท, ที่เป็นผ้าหรอกเพราะท่านสอนไม่เป็นเพราะการสอนนี่มันต้องใช้ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อต้องรู้จักแยกแยะเปรียบเทียบอะไรต่างๆยกตัวอย่างต่างๆมาแต่ที่ต่างประอาจารย์ประเทศอาจารย์มีการเปรียบเทียบเยอะมันก็เป็นไปตามตามธรรมชาติของเราเนีเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเทศแบบนี้ แต่เวลาเราจะพูดอะไรอธิบายให้ใครฟังเราก็อยากจะให้เขาเข้าใจใชนะ่เราก็ต้องยกตัวอย่างให้เขาเห็นถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็จะเข้าใจเพราะเมื่อก่อนนี้เราก็ใช้อาศัยการดูตัวอย่างทำให้เราเกิดความเข้าใจอย่างสมัยเด็กๆเราอยากจะรู้ว่าทำไมโลกมันกลมมันไม่แบกนี้ก็เขาก็สอนบอกว่าก็ให้ดูเวลาเรือวิ่งเข้ามาจากจากทะเลดูว่าจะเห็นอะไรก่อนนะ ถ้ามันเป็นถ้าโลกมันแบนมันก็ต้องเห็นเรือเห็นกระโดงเสงกระโดงพร้อมกันแต่ถ้ามันไม่มันไม่มันไม่เรียกมันโค้งอย่างเงี้ยมันก็ต้องเห็นส่วนที่สูงก่อนยกตัวอย่างยังไะเวลาเราเห็นเรือเข้ามานี่เราเห็นเห็นทั้งลําพร้อมกันหรือเปล่าเราต้องเห็นสามกระโดงก่อนเนี่ยเหมือนคนที่ขี่ขี่ม้าข้ามเขามาเนี่ยเราจะเห็นอะไรก่อนต้องเห็นคนขี่ก่อนเนี้ยก่อนจะเห็นตัวม้า เพราะที่พราะพื้นมันไม่เรียบถ้าพื้นมันเรียบมันก็ต้องเห็นพร้อมกันหมดอ่นนี้มันก็เป็นการยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเวลาสแสดงคำนั่นก็ยกตัวอย่างเวลาอ่านลองอ่านนงพระธรรมพระสูตรที่พระพเจ้าทรงสแสดงลองสแสดงอะไรก็จะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของกรรมการทำความดีความเชื่อท่านก็เปรียบเหมือนกับรอยเท้าของ ล้อเกวียนรอยของล้อเกวียนกับกับตัวล้อเกวียนเกวียนล้อเกวียนนี่มันหมุนไปไหนมันก็ต้องมีรอยเท้าตามไปใช่ไหมแต่ในบุญที่เราทําก็ต้องมีผลตามมาใช่ไหมบาปที่เราทํามาก็ต้องมีผลตามมาใช่ไหมเปรียบเทียบไปฟังเหมือนกับว่ามีไฟมันก็ต้องมีควันใช่ไหมมีควันมันก็ต้องมีไฟใช่ไหมมันเป็นของเปรียบเทียบกันได้ถ้ามีการกระทํามันก็ต้องมีผลตามมา ผลดีหรือผลชั่วก็อยู่ที่การกระทำดีหรือทำชั่วนั่นเองเอาั้นเดี๋ยวจะให้พรก่อนเพราะเดี๋ยวญาติโยมอยากจะกลับกันถ้าอยากจะคุยตาก็เดี๋ยวไปคุยกันยะท้าวาหรวาหาปุราปา ร, ปริตุเรนติสากะลงเอวเมวะอิโตทินางเปตาางังงอุปกบปฏิ อิชิตังปัิติังตุมหังคิปาเมวะสนิจโตสัพเเพุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตอันตาราโยสุขีทีพายุโกภวะ อาพิวัฒนมสือลุบสะลุบจังอุทธาประจายโนจัตตาระะโรธรรมาวทานติอายุวนโนสขุขางภาลาังท่านที่ยังไม่ได้หนังสือหรือซีดีถ้าต้างการก็เชิญขึ้นมาหยิดได้